เจิญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างเพีงได้ตั้งใจมาวัน เพื่อมาสร้างปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายต้องการปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคฉันใดจิตใจก็ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหง่มต้องการที่อยู่อาศัย ต้องการยารักษารโรคเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าปัจจัยสีของใจกับของร่างกายนี้ไม่เหมือนกันอาหารของใจก็คือการทำทานเว <c oughs> ลาเราทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความอิ่มใจมีความสุขใจเพราะทาน หรือบุญที่เกิดจากการให้ทานนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มยังเรียกว่าเป็นอาหารของใจส่วนเพื่อนุ่งห่มเสื้อผ้าอภรรของใจก็คือศีลถ้าเรามีศีลเราจะเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคม เหมือนกับคนที่มีเสื้อผ้าอภบพรใส่ทางหน้ากายเวลาเราแต่งตัวสวยๆไปที่ไหนก็มีคนอยากจะคบค้าสมาคมอยากจะรู้จักถ้าเราแต่งกายแบบ เ, เสื้อผ้าขาดขาดแบบขอทานก็จะไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้ความ ใจของเราเสื้อผ้าพอสงใจของเราก็คือศีลถ้าเรามีศีลเราอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนชอบคนรักเพราะคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพเสรายามังจะไม่มีใครรังเกียจจะมีแต่คนชอบคนรัก ในทางตรงกันข้างคนที่ไม่มีศีลคือคนที่ชอบฆ่าสัตว์นักทรัพย์แระพติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมางก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ไม่อยากที่จะคบค้าสมาคมด้วยเพราะเป็นอันตรายถึยงแม้ว่าเป็นคนน่าเกลีย ความสวยงามของคนเราจึงสวยที่ใจไม่ได้สวยที่ร่างกายร่างกายนี้เราเสริมกันได้เสริมความงามได้แต่งหน้าทาปากทาเข้าทาผมซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามงามมาใส่ได้ซึ่งถ้าเวลาพบกันใหม่ๆเราก็อาจจะชอบกันก็ได้แต่ถ้าใจไม่สวยตามร่างกาย ใจไม่มีศีลไม่มีสัตว์เวลาอยู่กันไปสักพักพอเริ่มเห็นความไม่สวยงามของใจแล้วต่อให้ร่างกายมีความสวยงามขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากจะเสียชีวิตไม่มีใครอยากจะสูญเสียทรัพย์สินไม่มีใครอยากจะเสียภรรยาหรือสามีไป ไม่มีใครอยากจะถูกโกหกหลอกลวงไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่ดื่มสุราแล้วเมาอรารวาสนี่คือเรื่องของเสื้อผ้าอภารรของใจอยู่ที่ศีลอยู่ที่ศีลห้านี้ถ้าเรามีศีลห้านี้เราจะเป็นคนที่สวยงามถึงแม้ว่าร่างกายเราจะไม่สวยงามหน้าตาอาจจะไม่น่าดูน่าชม เสื้อผ้าอาภรณ์อาจจะไม่สวยสดมดงามแต่ถ้าเรามีความสวยงามทางใจจะชนะความสวยงามหรือความอัปลักษณ์ของร่างกายได้อย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้หน้าตาท่านก็ไม่ได้สวยงามหัวล้นโลนผ้าก็เป็นผ้าสีกับไม่มีสีสันอะไรใส่ทุกวันทุกเวลาก็ใส่แค่ ผ้าสีกักนี้ชุดเดียวแต่ท่านกับเป็นที่รักที่เคารพของบุคคลทั่วไปเพราะว่าท่านเป็นคนมีศีลมีสั์นั่นเองที่เรากาบพ้ากันก็กากที่ศีลนี้ถ้าเราไม่มีศีลแล้วเราก็กาบไม่ลงเวลาที่ผ้าผิดศีลที่เป็นข้อร้ายแรงเช่นไปร่วมหลับนอนกับสีกา ก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ได้เป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพทันทีนี่แหละคือความสวยงามของคนเราสวยกันที่ศีลไม่ได้สวยกันที่ร่างกายไม่ได้สวยกันที่เสื้อผ้าเครื่องสำอางความสวยความงามทางร่างกายแต่สวยด้วยใจนี่คือเรียกว่า เสื้อผ้าอาภัยของใจถ้าเรามีศีลหา้า น, นี้เราจะเป็นคนที่สวยที่งามและเราจะไม่ต้องไปเป็นเปรไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกอันนี้อา น, นิสงส์ของศีลทําให้เราเป็นคนที่สวยงาม น, น่ารักแล้วทาให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็ได้ไปสู่สุคติถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ก็มา เป็นมนุษย์นี่คืออนิสงค์ของการมีความสวยงามทางใจเราจึงต้องมารักษาศีลกันมาทําทานกันทําทานแล้วทําให้ใจเราอิ่มถ้าเราไม่ทําทานนี้ใจของเราจะหิวจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆแล้วได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มใจ เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราซื้อมานี้มันไม่ได้ทําให้ใจเราอิ่มแต่มันกลับทําให้ใจเราหิวมากขึ้นถ้าเราซื้อของตามความอยากต่างๆพอเห็นอะไรชอบก็อยากได้ก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวไปเห็นของใหม่ที่ชอบก็อยากได้เพราะว่าการซื้อของตามความอยากต่างๆนี้ไม่ได้ทําให้เรามีความอิ่มใจ พ่อไม่ได้ให้อาหารแก่ใจถ้าเราเอาเงินที่เราไปซื้อของตามความอยากนี้มาทำบุญทําทานเราจะได้รับความอิ่มใจเช่นแทนที่จะไปซื้อมือถือเครื่องใหม่หรือซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่กระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่ทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีหลายคู่มีเหลือเฟืออยู่แล้ว ไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราเอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเหล่านี้มาทาบุญทาทานจะดีกว่าเพราะเวลาทาบุญทาทานจะทำให้เราได้อาหารใจทำให้ใจเรามีความอิ่มแล้วก็ทําให้เราตัดความอยากที่จะซื้อของตามความอยากได้ต่อไปนี้เราจะไม่ต้องไม่มีความอยากจะซื้ออะไร ถ้าจะซื้อก็ต้องมีเหตุมีผลมีความจำเป็นจริงๆเช่นเสื้อผ้าขาดหมดแล้วหรือเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วร่างกายใหญ่เกินไปต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ถ้าอย่างนี้ก็ซื้อด้วยความจำเป็นอันนี้จะไม่เป็นปัญหาจะไม่ได้สร้างความอยากซื้อแต่ซื้อเพราะความอยากทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่จำเป็นจต้องซื้อ มันจะทําให้เราอยากซื้ออยู่เรื่อยๆพอเราไม่ได้ซื้อเราก็จะไม่มีความสุขพอซื้อก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้ออีกแล้วก็จะทําให้เราต้องไปหาเงินหาทองแบบเหนื่อยยากแบบไม่มีขอบไม่มีเกณฑ์หามาเท่าไหร่มาใช้กับความอยากนี้ก็ไม่พอมีร้านก็ใช้หมด มีสิบล้านก็ใช้หมดเพราะมันมีของที่ราคาแพงๆที่จะให้เราอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเช่นรถยนต์ถ้าเรามีเงินน้อยเรามีเงินแสนเราก็ซื้อรถยนต์เงินแสนพอมีเงินล้านรถยนต์เงินแสนก็ซื้อไม่ได้ละนั่งไม่ได้ละต้องซื้อรถยนต์ราคาล้านขึ้นไปแล้วนี่คือความอยากมันจะหลอกให้เรานี่หิวอยู่เรื่อยๆ เราจะทำให้เราต้องไปเหนื่อยยากกับการหากินหาเงินหาทองแล้วก็ไปเครียดกับการงานพอเวลาเศรษฐกิจตกต่ำหรือรายได้ไม่เข้าเป้าก็เสียก็ทำให้วุ่นวายใจไม่สบายใจนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารแก่ใจเรามัวไปให้อาหารแก่กิเลสตัณหา ที่มันกินเท่าไหร่นันก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอพระพุทธเจ้าบอกว่าน้นทะเลในหมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งมีมีประมาณแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งเหมือนท้องฟ้าสงจลวนดินขึ้นไปแต่ไม่มีวันที่จะไปเจอขอบของท้องฟ้าได้ฉันใดถ้าเราเลี้ยงความอยาก ทำตามความอยากนี้ความอยากจะไม่มีวันหมดแต่จะมีขยายตัวให้มากขึ้นไปเรื่อยๆได้สิบก็อยากจะได้เป็นร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันได้พันก็อยากจะได้เป็นหมื่นถ้ายังมีความอยากอยู่นี้ใจจะไม่มีความอิ่มจะไม่มีความพอแล้วก็จะไม่มีความสุขความสุขนี้อยู่ที่ความพอ แลาการที่เราจะพอได้เราก็ต้องใช้เหตุผลคือซื้อสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งที่จำเป็นถ้ามีพอแล้วก็ต้องหยุดต้องฝืนความอยากแล้วเราจะมีความพอพอเราฝืนความอยากได้ความอยากจะหายไปความพอจะเกิดขึ้นมาดังนั้นเวลาเราใช้เงินใช้ทองนี้เราต้องระมัดระวัง ถามตัวเราก่อนว่าสิ่งที่เราอยากซื้ออยากได้นี้ถ้าไม่ได้มา จ, จะตายไม้มถ้าไม่ตายก็เรียกว่าไม่จำเป็นเอาเงินไปทำบุญดีกว่าถ้าอยากจะใช้เงินถ้าอยากจะมีความสุขเอาไปทำบุญว่าะจะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจแล้วจะทำให้ความอยากซื้อของต่างๆนี้มันน้อยลงไปแล้วบุญนี่แหละจะเป็น สิ่งที่จะมารอเราในพบหน้าชาิหน้าเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะได้มีเงินทองรอเราอยู่แล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยนะเงินทองที่เราทำนี้ทาบุญนี้เราจะกลับได้กลับมาหลายเท่าด้วยกันดังนั้นคนฉลาดเขาจึงทาบุญกันเขาไม่ใช้เงินตามความอยากกันเพราะถ้าใช้เงินตามความอยากไม่ได้ทาบุญ เวลาตายไปก็ไปเป็นขอทานไม่มีบุญติดตัวไปแทนที่จะไปเป็นเศรษฐีบุญคือเทวดาก็จะไปเป็นขอทานคือเปรยเปรยนี่แหละคือพวกที่มารอรับส่วนบุญของพวกเราเดี๋ยวเวลาระพระให้พรเราก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ไม่มีบุญติดตัวไปเพราะเวลาที่มีชีวิตอยู่ หลงไหลกับการใช้เงินซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แทนที่จะไปซื้อบุญกันแทนที่จะไปทําบุญทําทานกันเราไม่ทําพอตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องกลายเป็นขอทานนี่คืออันิสง์ของการทําบุญทําทานการให้อาหารแก่ใจทําให้เราใจของเรามีความสุข ส่วนหนึ่งของความไม่สบายใจของพวกเราก็เพราะว่าเราไม่ให้ปัจจัยสี่แก่ใจของเราร่างกายเราน่สุขสบายเพราะเรามีปัจจัยสี่ให้ร่างกายค่อมบริบูรณ์อาหารร่างกายนี้เหลือกินเหลือใช้เสื้อผ้าเหลือกินเหลือใช้ที่อยู่นี้เหลือกินเหลือใช้เหลือยารักษาโรามีพร้อมม ร่างกายเราจึงสบายเป็นส่วนใหญ่แต่ใจเรานี้ไม่เคยสบายเหมือนร่างกายเลยวันๆหนึ่งนี้มีเรื่องวุ่นวายมีเรื่องไม่สบายใจให้มาหนักอกหนักใจอยู่เรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าเราไม่หาปัจจัยศีให้แก่ใจนั่นเองเราไม่ทําทานเราไม่รักษาศีลแล้วเราก็ไม่สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ใจเวลามีภัย เราก็ไม่มีที่หลบเวลาเรามีภัยธรรมชาติเรามีบ้านเราก็หลบภัยได้สำหรับร่างกายแต่เวลาใจวุ่นวายใจทุกข์นี้ไม่มีที่ไปหลบถ้าเราไม่มีสมาธิถ้าเราไม่สร้างบ้านให้แก่ใจเวลาเรามีความวุ่นวายใจเดือดร้อนใจไม่รู้จะทำอย่างไรแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าเรามีบ้านมีสมาธิ อย่างน้อยเราเข้าไปหลบในบ้านนั้นชั่วคราวก่อนแล้วค่อยไปตั้งหลักใหมว่าจะมาแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปถ้าไม่มีเลยก็ต้องเครียดต้องฟุง้งแล้วก็จะอาจจะต้องไปแก้ปัญหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นคนที่มีความทุกข์ใจวุ่นวายใจก็อาจจะไปพึ่งสุรายาเมลไปพึ่งยาเสพติด เพื่อที่จะทำให้ความวุ่นวายใจนั้นหายไปชั่วคราวแต่มันไม่หายพอรอพอฤทธยาหมดมันก็กลับมาใหม่ถ้าทำให้เราต้องเสพเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะเสพเท่าเดิมมันไม่สามารถที่จะดับความวุ่นวายใจได้ก็เลยต้องเพิ่มเมื่อเพิ่มไปเรื่อยๆปริมาณที่เราเสพเข้าไปในร่างกายมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทาร้ายร่างกายเรา แล้วในที่สุดเราก็ต้องตายไปนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาหรือหลบปัญหาวิธีที่จะหลบปัญหานี้ต้องใช้สมาธิเวลาเรามีความวุ่นวายใจแล้วเราไม่รู้จักเหตุของความวุ่นวายใจว่าเกิดจากอะไรเราอย่างน้อยก็ทำใจให้สงบก่อนแล้วหลบเข้าไปในพักอยู่ในความสงบใช้สติควบคุมใจหยุดความคิดต่าง ความวุ่นวายใจเกิดจากความคิดของเราคิดที่พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆแต่แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ยิ่งกับความทุกข์มากขึ้นไปสู้อย่าไปพยายามแก้ดีกว่าหยุดความคิดเสียดีกว่าพอใจเราหยุดคิดเราก็จะลืมเรื่องปัญหาไปแล้วใจเราก็จะสงบมีความสุขมีความสบายเหมือนตอนนี้ ญาติโยมมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมใจก็ไม่มีเวลาไปคิดถึงปัญหาต่างๆเลยไม่มีความวุ่นวายใจในขณะนี้แต่พอกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานพอไปเจอปัญหาไปเจอเรื่องต่างๆเดี๋ยวความวุ่นวายใจมันก็จะกลับขึ้นมาอีกอย่างนั้นอย่างน้อยถ้าเรายังไม่มียารักษาโรคใจอย่างน้อยก็สร้างบ้านไว้สำหรับหลบ ความทุกข์ทางใจก่อนด้วยการเจริญสติผันบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วความสบายใจจะกลับมาเช่นเวลาใครเราโกรธใครเกลียดใครเราพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทำให้เราโกรธถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันจะลืม มันจะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธคนที่ทำให้เราโกรธแล้วความโกรธก็จะหายไปเพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงแต่แก้ปัญหาชั่วคราวการนั่งสมาธินี้มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาถาวรมันเป็นเพียงแต่การเลี่ยงปัญหาหลบปัญหาในเมื่อเราไม่มีกำลังที่จะไปแก้ปัญหาด้วยปัญญาที่เป็นยารักษาโรคของใจเราก็ใช้สมาธิไปก่อน ทำใจให้สงบพุทโทพุโธไปพอใจสงบแล้วใจเราจะหายเครียดหายฟุ้งซ่านหายจากความไม่สบายใจแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาตั้งหลักที่จะมาคบคิดแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลการที่เราจะแก้ปัญหาหรือความเครียดความทุกข์ใจของเรานี้ให้ถาวรเราต้องใช้ยาของใจ ยาของใจก็คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สบายใจของเราได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงค้นพบต้นเหตุของความไม่สบายใจของพวกเรามาแล้วและมาสอนพวกเราว่าความไม่สบายใจต่างๆของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครหรอกเกิดจากความอยากของเราเอง ไม่ได้เกิดเพราะว่าเงินทองไม่พอใช้ไม่ได้เกิดเพราะว่าคนนั้นเขาไม่ชอบเราไม่ได้เกิดเพราะว่าเราสูญเสียคนนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นไปมันเกิดจากความอยากของเราเช่นเราไม่อยากจะสูญเสียเขาไปเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราอยากให้เขาไปนี่เราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมการสูญเสียนี้เสียแบบสุขก็ได้เสียแบบทุกข์ก็ได้เช่นคนที่เราไม่ชอบเวลาเขาเสียไปเขาจากเราไปนี่ เราไม่ทุกข์เลยเรากับดีใจเพราะเราอยากให้เข้าไปหรือเราไม่มีความอยากให้เข้าไปดังนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาของใจเราที่ความอยากเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็จะวุ่นวายใจจะเสียใจวิธีที่จะแก้ความวุ่นวายใจก็คือต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ไม่สามารถเอาในสิ่งที่เราอยากได้ พอมันสุดวิสัยเหนือวิสัยเหนือกำลังของเราเมื่อมันสุดวิสัยเราจะไปทุกกับมันทำไมก็ยอมรับความจริงว่าทำไม่ได้ก็แล้วกันก็ยอมแพ้ไปแต่ความยอมแพ้ของเรากลับทำให้ใจของเรามีความสงบไม่เครียดไม่ทุกข์ซึ่งเป็นความชนะชนะความไม่สบายใจด้วยการยอมแพ้เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้ อยากจะได้แต่ทำไม่ได้ก็เปลี่ยนความเปลี่ยนใจเสียอยากไปอยากเสียพอเราไม่อยากได้มันก็หมดปัญหาไปนี่คือปัญญาที่เป็นยารักษาโลกของความเครียดของความทุกข์ใจของพวกเราถ้าเรามีปัญญาเราใช้ตามที่พทธเจ้าทรงสอนท่านทรงสอนให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไป แก้หรือไปควบคุมบังคับไปจัดการมันได้เสมอบางเวลาเราก็จัดการกับมันได้บางเวลาเราก็จัดการกับมันไม่ได้ถ้าเราจัดการไม่ได้แล้วเรายาังอยากจะไปจัดการอยู่เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเออมันสุดวิสัยเหนือวิสัยทาอะไรไม่ได้ก็อย่าไปอยากไปจัดการพอเราปล่อยความอยาก ไปจะไปจัดการได้ความเครียดความทุกข์ความไม่สบายใจก็หายไปดังนั้นต่อไปนี้เวลาที่พวกท่านมีความไม่สบายใจถามว่ากำลังอยากอะไรอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอยากให้กิจการของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแลวเราทาได้หรือเปล่าถ้าทาไม่ได้อยากไปก็ปว่วยกั อยากไปก็จะทำให้เราไม่สบายใจไปเ ป, ป่าๆถ้าทำได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเปลี่ยนใจ้าไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างอื่นก็ได้เอาอย่างที่เราทำได้ก็ได้อย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่ไ ม, มีความเครียดไม่มีความทุกข์ใจนี่เรียกว่ายารักษาโลกของใจคือปัญญาเรียกว่าธรรมะโอสถ ผู้ที่มีธรรมโอสถนี้จะไม่มีความทุกข์ใจเลยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกนี้ท่านมีธรรมโอษสถท่านเห็นใจรักตลอดเวลาท่านเห็นทุกอย่างเป็นทุกเป็นทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเพราะว่าเราไปควบคุมบังคับไปจัดการมันไม่ได้ท่านก็เลยปล่อยไม่ไปมีอะไรดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวรลวก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ แม้แต่ร่างกายเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันควบคุมบังคับมันไม่ได้เหมือนกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันอยู่กับเราเวลามันจากเราไปเราจะไม่ทุกข์เลยนี่คือปัจจัยสี่ของใจที่พวกเรามาเสริมสร้างกันในวันนี้มาทำทานเพื่อให้มีอาหารมารักษาศีลเพื่อให้มีเสื้อผ้าอภรณ์ มานั่งสมาธิเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยมาเจริญปัญญาเพื่อให้มียารักษาโรคใจถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบจิตใจของเราจะมีความสุขสบายเหมือนกับร่างกายของเราก็ขอให้พวกเรานําเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะมีทั้งความสุขทางร่างกายและความสุขทางใจไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา